ท น, นี้ก็อย่างนั้นแหละมไม่ว่าจะเราหรอกพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันแหละท่านถอดเป็นพระพุทธเจ้ามาทีิปิยาหรอกท่านก็เป็นผู้ทุชนคนหน้าเหมือนกันกับเราเป็นผูุ้กขชนคนหน้าเหมือนกันกับเราแต่ท่านเพ็นผู้มีปัญญา ว่าก็มันมีเหตุผลมนุษย์สัตว์ทั้งหลายในโลกมีเหตุผลมันมีมืดมันก็มีสว่างมันมีร้อนมันก็มีเย็นมันมีสุขมันก็มีทุก แล้วมันมีเกิดแล้วมันก็มีตายท่านก็คิดไปว่าสิ่งที่ไม่เกิดนั้นมันก็ไม่ตายจะมีหรือไม่ท่นเนี่ยมีเกิดแล้วก็มีตายมันมีแล้วสิ่งที่ว่ามัน ไม่เกิดแลว้วมันก็ไม่ตายก็คงมีเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นคู่กั น, ท, นดดท่านซื่อบ่ายตอนนี้ยท่านยังในกัรนี่การกิเลสอะไรๆมากมายมีก็เห็นตอนนี้ยลองรู้ท่านั้นแเราทุกวันหนึ่งคิดว่าเรายังมีกิเลสอยู่ยังงั้นก็คิดว่ายัางงั้นก็จําเป็นว่าจะหมดกิเลสกันทีละทิงึงเข้ามาปฏิบัติ ถ้าพผล่อเ่างนั้นเราต้องหมดกิเลสกันเราจริงจะมาปฏิบัติแล้วก็ถ้าคิดอย่างงั้นก็คงเป็นเงนื่อนนี้อันนี้เนี่ยคือเราคิดผิดไปว่าก็ผมยังมีกิเลสอยู่มีกิเลสอยู่นั่นแหละคือเรียกว่ามันมีปัญหาอยู่เรายังไม่หมดปัญหาเรียกว่าปัญหายังมีอยู่ ถ้ามีปัญหามันก็มีเฉลยที่นี่เราคิดว่าปัญหาเรามีอยู่เฉลยไม่มีเช่นจะเป็นนักเรียนเนี่ยเรียนหนังสือไปสอบหนังสือเขออกปัญหามาเรียกว่าไอ้คนที่โง่มันก็เรียกว่าไม่มีทางที่จะแก้ปัญหานั้นแต่ความจริงนั้นปัญหานั้น มันมีเฉลย อ, อยู่ทุกข้อไม่จะมีปัญหาเปล่าๆไอ้ที่คนไม่มีปัญญางผ ม, มว่าไม่มีทางแล้วไม่มีทางจะแก้ปัญหานี่แล้วก็อันนี้ก็เพราะว่าเราไม่มีปัญญาแท้ที่จริงก็เมื่อมีปัญหาก็ต้องมีเฉลยปัญหาที่เขาถามเรามาทุกข้อก็ต้องมีเฉลยทุกข้อเป็นแต่ว่า ปัญญาเราไม่มีต้นนึกว่าเฉยไม่มีเราแก้ปัญหาไม่ได้อันนี้ก็เพราะเรามีไม่มีปัญญาตัญหาครับอืแต่เขาจะมีปัญญาแล้วก็เด็กวาเขาดูปัญหาแล้วเขาแก้ได้เฉยต้องเขามีคนมีปัญญาอันนี้ก็บางการเชนนั้นต่อนึกว่าผมยังมีเฉลี่ยอยู่ก็นึกว่าบทปัญหาแล้วแก้ไม่ได้ตายแล้วองั้นเดยอ เนี่ยมันจะเป็นอยู่แบบนี้เราก็ต้องมาวิจัยต้องมาพิจารณานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงคุณของท่านสิพระพุทธเจ้าเราท่านคิดยังไงแต่มีร้อนก็ต้องมีเย็นมีเย็นแล้วก็มีร้อนมีมืดแล้วก็มีสว่างมีสว่างแล้วก็มีมืดมีเกิดเล้กก็ต้องมีตายมีตายต้องมีเกิด ไอสิ่งที่ไม่เกิดไม่ตายมีหรือไม่นอคงจะมีเป็นแน่เท่านี้ที่เดียดท่านยังเดินลาหุนพินพายังเต็มบ้านเลยลทรัพย์สมบัติยังเต็มบ้านพอแต่ทันรู้สึกอย่างนี้เท่านั้นท่านกะมาพิจรารณาดำเนินการพิจารณาไปเรื่ยอยๆนึยเห็นว่าในทางครวญนี้มันเป็นที่ข้บแคบมาก จะมีราบมากจะมียศมากจะมีสมบัติพัฒสถฐานมากก็จริงหาความสมบงบไม่ได้ลำบากโลกเป็นที่คับแคบเหลือเกืนยังงั้นออกอบรรัณฑิตชา อ, อุปสมบทเป็นพระจึงจะสมควร ค้นควหาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ถ้าเราจะจมอยู่ในคราวาดนี้จะค้นควหาธรรมะข้อนี้เลายยากเพราะว่าเป็นของละเอียดสุขุมมากท่านก็จึงออกบวชตั้งใจปฏิบัติที่ท่านออกปฏิบัตินั้นท่านในรักลูกเลอท่านในรักเมียดรือ ท่านในสงสารอะไรอะไรหรืออืมนะบางทีท่านออกไปบวช น, น, นี่ยท่านว่าสงสารลูกสงสารเมีเยรักทรัพย์สมบัติทางหลายแต่มนุษย์ทางหลายเห็นว่าดีออ ก, ออกไปจากครอบครัวคาวาะตัดช่องน้อยจะพรอบัวไปคนเดียวอย่างนี้ในคราิดท่านในคิดอย่างนั้น ท่านคิดเปน็นคนอย่างกับกุฎชนเราท่านคิดแต่น้อยท่านจึงก็ทำมาทนะ่านทำท่านนั้นถ้าเราจะไปคิดเช่งนั้นก็บททางเราก็เป็นคนหมดคทางนะมั้งในความจำเป็นเราต้องพิจรารณาเช่นว่าเราเกิดมาทรั้งแรอดคนไปยังเล็กเราไม่โตอย่างนี้ ว่าเราโตอย่างนี้เหตดมาจากความเล็กมันทุกตัวได้อย่างนี้มันต้องมีเหตุดางนั้นอันนี้กลัวเหมือนกันฉันนั้นอืไอความดีทั้งหลายนั้นมันก็ตอนที่ตกต้องทั้งหลายนั้นมันมีโอกาสที่จะต้องทำได้ทุกคนเรามีสิทธิ์ทุกคนที่จะต้องปฏิบัติกันนั้นได้เหมือนกันการทําสตินี้มันก็ ก็เรียกว่าให้ทำจิตให้มันมีผู้รู้เป็นผู้รู้อยู่เสมอจะทำอย่าที่จะรู้อยู่ก็มีปัญหาเหนกันนะคล้ายๆเขเรามีบริเวณหนึ่งขนาดกวางในเาจะสามเมตรตรงนี้เราจะไปนั่งอยู่ในนั้นนะใจจะเอาห่าสักตัวนี้ใหญ่ๆเอาไปขังในเราก็นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ย มันจะเป็นยังไงจิตเรานะให้มันด้วยเรานั่งเลยนะไอ้ความระแวงระวังของเราก็คือมุ่งเห่าน้ำเป็นสารพิษและจะเสืออยู่ไม่ได้เมื่อเราดุตีมันเลยมันอเนี่ยเออมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราก็ไม่ยอมจะนอนกันไม่ยอมจะง่วงกันเพราะอะไร เพราะกวงงูเห่าตัวนั้นเนี่ยมันลื่อีรอบๆมรา อ, อ, อยู่ฮ่ารู้จักอย่างนั้นไอความรู้ของเรามันก็ชัดเจนขึนมาผู้รอบอยู่ในเรื่องทั้งทั้ ง, งหลายต่างๆเกิดขึนมามเรื่องแก้ปัญหานั้นมันก็มีหลายอย่างแต่ที่สุดของปัญหามันก็มี ถ้าเราแก้มันไม่หายแล้วก็แก้ให้มันสุดมุมมันเท่านั้นเจอมันจําเป็นจะทำไงอืข้าว่ามันไม่ถึงที่จะต้องตายแล้วต้องแก้ให้มันได้ให้มันดุดไปถ้ามันต้งที่สุดมันได้จริงก็ตัดสินให้มันตายเท่านั้นเนอะตอนนั้นนี้แก้ที่สุดมันก็ต้องแก้อย่างนี้อืมเช่นว่ามันไปที่ไหนก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่น่าแล้วจะดิ้นโรดยังไงก็ไม่ได้แล้ว จะเป็นยังไงก็ น, นี้ไม่ได้แล้วก็ตัดชิ้นตายนี่ที่สุดของมันนะนี่นะี่แหละที่สุดของมันเขาปล่อยมันนะว่าเรามันก็ถึงที่สุดมาแล้วไม่มีที่แก้ไขแล้วยังให้มาเราป่วยหนะัะเข้าโรงพยาบาลยาก็ช่วยไม่ได้หมอก็ช่วยไม่ได้เราเป็นคนป่วยเขาก็บอกว่าหมอว่าช่วยเธอไม่ได้แล้วยาก็ช่วยไม่ได้แล้ว จะทําไงเงยเก็ทำเงยทําันเข้าหว่าอย่างงี้ยสุดวิสัยแล้วหมอก็สุดวิสัยใส่ยายาก็สุดวิสัยแล้วจะทําไงเราเป็นคนไข้เธอทำไงเราจะาร้องไห้หรือจะทําไงนี่ที่ตรงนี้แหละกะถ้าหากว่าเรามีปัญญาไปต้องร้องไห้มันเลยมันถึงคราวมันแล้วมันถึงสมัยมันแล้ว มันถึงที่สุดมันแล้วอเหมือนคว่างก้อนดินขึ้นบนอากาศมันขึ้นไปขึ้นไปแล้วถึงข่าวมันลงมันก็ถอยลงกุบถึงดินยมันหมดวิสัยแล้วพระพุทธเจ้าก็ตัดปล่อยตรงนี้นี่ถึงคราวที่สุดมันแล้วนะอืมที่นี้ก่อนเราเป็นไข้เราจะเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ต้องมีความรู้สึกว่าทุกคนเขาจะจะเอามันหายให้มันหาย ให้หายเด้เอาไม่ตายเท่านั้นนะกลับให้มันหายเรื่องไม่หายแล้อไม่ตายนั่นไม่เอาทุกคนนะไม่เอาทุกคนแต่ว่ามันก็ได้อืมมันก็ได้อย่างนี้มันมอยู่เป็นพื่นของมันอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดว่าถ้าเราเป็นโรคชนิดหนึ่งเอาไปโรงพยายบาล่าเราคนนึกเห็นมันได้มามยากแก้ตายก็ไม่มี มอรักษามาให้ตายก็ไม่มีถจอทึงคลาามันแล้วดังนั้นเราตกตกลงในใจแล้วว่าตายก็เอาไม่ตายก็เอาหายก็เอาไม่หายก็เอานี่ถูกต้องถ้าหว่าเราเอาหายอย่างเดียวเราเอาไม่ตายอย่างอย่าง้าว่ามันไม่หายเราก็ทุกข์เท่นั้นนี่ที่มันถูกต้องอย่างนี้มันแก้ไม่ได้อันนี้แบบหนึ่งนะแบบหนึ่งเราเป็นใข้มาเราช่างมันจะช่างขานมันจะตายอยู่แล้วล่ะอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะ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 นางนั้นเราก็ต้องรักษาสังขาร น, นี่ไปก่อนอย่างเก้วเบนี้มันจะแตกอยู่แล้วต่อไปมันต้องแตกพาวชนะนี่ไม่หยุดทาแตกทำไมไม่ตีแตเพราะว่ามันในเทียงบังคับอยู่ไอ้ความในเทียงบังคับอยู่แล้วมันจะต้องแตกข้างหน้าไม่ช้าก็ต้องเร็ว เราจะทํายังไงปฏิบัติต่อแก้วใบนี้เราจะต้องทํำยังไงเราจะเห็นว่าแก้วใบนี้รักษามันก็แตกไปทักษามันก็แตกปล่อยมันทิ้งทั้วลูกไมต้องเก็บมันให้ดีแล้วมันจะแตกอยู่แล้วล่ะอย่างนี้มันจะดีไหมถ้าคิดไปในแง่นี่มันก็ไม่ค่อยดีเพราะเราประมาทการแก้วใบนี้มันมีอยู่เราปฏิใช้มันานแต่รักษาไปนานปฏิใช้นานแต่ทําทั้งเราที่รู้ว่าแก้วใบนี้มันจะแตกอยู่ข้างหน้าแล้วก็ต้องเก็บมันไว้ให้ดี ใหมันได้กดเซจแต่มันสาดลูกเก็บก็บอกว่าลูกระวังนะเที่ยวไปนี้จะแตกนะเก็บให้ดีนะดูกนะฟองคำชับเลยดืย้ดยดยอยแบนี้ทํำไมก็อพ่อเห็นว่าเที่ยวไปนี้มันจะแตกเป็นอยู่ไม่ใช่เราลูกเอาทิ้งขึกก้นไปเอาทิ้งเพิ่งมันจะแตกอยู่แล้วล่ะอย่ารักษามันเลยเร่องนี้ก็ไม่ใช่คนรู้จัดธรรมะไม่ใช่คนมีปัญญา จะต้องให้ลูกให้คนใช้ให้ประคับประคองรักษาแก้วใบนี้ถ้วยใบนี้จานใบนีไไหน้ ห, น ห, นหม้อใบนี้ไว้ให้ดีทำหม้อใบนี้ถ้วยใบ น, นี้มีรักษาไว้ดีๆนานๆไปอยู่นานๆไดนนนน้ประโยชน์นานไม่จําเป็นจะซื้อมาบ่อยๆมันเต็มที่แล้วมันถึงข่าวมันแล้วนะมันแตกไปถึงค้ามันจะแตกจริงๆก็จะให้มันแตกถึงค่าวมันยังไมแ่แตกก็รักษามันไว้ นี่เป็นโทษเรารักษามันก่อนนีชนี้เราเราเราปฏิบัติตามโลกนี่ตามสังขารนี้มันก็รู้อย่างนั้นถ้าถึงขที่สุดตอนน้นก็ไม่มีใครจะรักษาอะไรมันได้เปลี่ยนไปตามสภาพอย่างนี้นี่อันนี้เรียกว่าถ้าเราคิดเช่นี้ไอ้ความหวาดด้วยความสระรุ่งต่อความผิดทั้งหลายนั้นมีในใจของเราอยู่ก็เป็นเหตุที่จิตใจเราตื่นอยู่ เมื่อจิตใจเราตื่นอยู่ก็เลยว่ามีความระลึกได้เป็นสติในตัวของเราดึกได้อยู่เมื่อเราดึกได้สัมปัชัญญาติความรู้ตัวมันก็เกิดมาพร้อมกันเมื่อมีสตมิมีสัมปัชั์ญาปัญญาเขาวิ่งมาอยู่ในปัจจุบันอพรอันนี้ควรจะทําทอย่างนั้นอันนั้นควรจะทําทอย่างนี้ในเมื่อปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างนี้มันก็ช่วยตัวของเราได้ช่วยตัวของเราได้เป็นประโยชน์อัน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 ทิ้นเล่ามาตอนเย็นเมานอนกับทางคืนตอนเช้ามาก็ยังเมาอยู่ก็นึกเด็กหรือไปแก้มันดีสักทีหนึ่งเนี่ยนะคือไปดื่มเหล้าอีกแก้แ้มันอย่างนี้ทั้งที่ว่าทาั้งทั้งทั้งิด้ิดั้งทั้งทั้นทั้งทั้งทั้งทั้งทั้ามั้งทั้งทั้งทั้งทัวาทั้มันถูก้งทั้เออเเนนงเงั้งเั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งท้งทั้งทั้ า, า, ออ ไ, ป ไ, าไปเงทั้งทั้กันงันะ้งทั ไม่ยอมกันนะเนี่ยอืมอันนี้เนี่ยมันมันมันมีความคิดเช่นนี้คนเนี่ยว่าแก้มันไอ้ความคิดเช่นนี้ก็เรียกว่ามันมีสติอยู่มันมีสติอยู่แต่มีสัมปชัญญะอยู่แต่ไม่ปัญญาไม่มีความเห็นมันไม่ถูกต้องเอแค่นั่นความจริงหลงผิดไปอืหลงถูกนั่นว่าว่ามันผิดตรงผิดนั่นว่ามันถูกไปอย่างนี้อืมอันนี้หากว่าเราเห็นโทษสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วนะ มีคนาละอายเมื่อมีคนาลายเท่าไรก็มีความระวังเท่านั้นมันมีคนกลัวเท่าไรก็มีความระวังเท่านั้นในประมาทอย่างจะตามาว่าเมือ่อกี้เนี่ยเอากว้เฮามาปล่อยไปจ้ะในในกองขังอเงียกับเราอ่ะขังอยู่นั่นเราก็นั่งกูง้เฮาก็เลื้อยอยู่ตั้งตัวสองตัวแต่ให้มันวนอยู่นั่นแหละเราก็แสนที่จะระวังนะอือืถ้าเราลุ ลูกปีกเมื่อไรงเหามันจะแก่พังผ่านคอเราจะนั่งรับตายแล้วก็ไม่ดับอย่างงีู้ตัวนี้มันจะอยู่ตรงไหนมันจะทําอะไรเนี่ยมันจะมา ก, กัดเราอะไรเรื่อยเมื่อว่าเรเห็นความผิดเดียวกันมันก็มีสติอยู่และมีความรู้อยู่เท่านั้นในกิจการงานของเราบางอย่างอย่างนี้ในการงานของเจ้าของเหมือนกันเราดูรอบทั้งหลายอยู่อย่างนี้ก็เดี๋ยวมีสติอย่างนี้มันมีสติและก็มีสัมปชัญญะ มันมีสติสัมภารมันก็ไปช่วยเอาดึงดึงเอาตัวปัญญาเนาี่ยมาพิจารณาอืมอตัวปัญญาสติความระดิ ษ, า น, าดษนัยระอแต่เฉพาะญรงเอ้ยมาดูเลยดูตัวเลยดูตัวเราทําอะไรอยู่เดียเยเด๋ยวนี้เราพูดอะไรอยู่เดี๋ยวนี้เราพูดอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ก็เป็นในปัญญามีความรู้ในเร่อถูกหรืผิดควรหรือไม่ควร ทั้งสติทั้งสัพพั ญ, ญทั้งปัญญาจะมารวมกลุ่มกันเน่าเดียวกันนั้นสามารถที่แก้ปัญหาอันนั้นได้โดยทางที่ถูกต้องอย่างนี้เดียวกว่กาการพินิจการพิจารณาและก็สติสัพพัญญานี้หมดทึกขผุดถึกการปัิบัตินี้มันกเกี่ยวเกี่ยวกการสงบเกี่ยวเกี่การสงบ สงบนะจะเกิดขึ้นได้มันก็เกี่ยวเกี่ยวกับารปฏิบัติธรรมะเป็นตนวความผิดความถูกรวมแล้วก็เรียกว่าศีล ส, สมาธิปัญญามันก็รวมมาตรงนี้อาศัยการควบคุมเช่นนี้เมื่อเราเห็นอยู่เมื่อมันมีความผิดอยู่แต่ว่าไม่ถึงเก่จะเสียหายอะไรมากอย่างนี้ อย่างที่ไอ้ความสุขเกิดขึ้นมามันก็ดึงเราไปไอ้ทุกโธไอ้ความทุกข์เกิดขึ้นมามันก็ดึงต่อไปดึงไปในทางดีบ้างดึงไปในทางชั่วบ้างเราเป็นคนต่างอย่างเนี้ยทำยงไงบางทีก็ด่งไปตามอันนี้บางทีก็ดึงไปตามมันนั้นบางทีก็ดึงไปตามสิ่งใดนะนี่เลยเกิดยุ่งเกิดชิดมากเกิดประสาทมากอะไรต่างๆนานาร้ายประการมันเป็นธรรมดาของมันเด็ดแล้วพระเจ้าจางจอมมาให้หยุดให้หยุด กามให้อยู่กระคืบการทำจิตให้มันนุ่งฝุตจิตอันนี้ฟุตจิตอันนี้การทำสมาธิเป็นบางครั้งก่อนจะมีเวลาที่ต้องทำตอนเย็นตอนเช้าหรือที่ไหนมีฝอกาดห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทีกำหนดสมาธิเพื่ออบรมจิตให้มีกำลังเมื่อจิตมีกำลังแล้วมันมีความหยุดถ้ามันมีความหยุดมันจะดูอารมณ์ได้ เมื่อดูอารมณ์ได้เป็นต้นมันจะรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักอารมณ์มันจะเห็นชัดตรงไปว่าอันนี้เป็นอารมณ์อันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นกิเลสอันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นอารมณ์มันจะแยกกันออกเป็นอย่างที่มีการมาวอดสูงในในสมองเราหลายๆอย่างนะมันคลี่คลายไปมันก็เดือแต่อารมณ์ด้วยจิตอันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นอารมณ์ ถ้าเราเห็นชัดเช่นนี้เราจะเห็นความอิดนี่อันนี้มันผิดอันนี้มันถูกเมือมันเป็นอยู่เชนนี้เราจะเห็นอารมณ์เลยหลายอย่างที่เราอยู่ในจุดอันนี้อารมณ์นี้นะ่ะชอบให้เราวุ่นบางทีเรื่องจะไม่ควรจะวุ่นถ้าเราไม่มีปัญญามันก็วุ่นถ้าเรามีปัญญาละจิตที่มันควรจะวุ่นอารมณ์ที่ควรจะวุ่นมันก็วันเทาลงไปเพรแก้ตัวเรื่องมันอืม อันนี้สําหรับที่จะทําให้นิสติให้ควบคุมจิตของเรานาถ้าหากว่าเมื่ออะไรในการงานค่อยใช้มันเกิดขึ้นมาเอ่คนนั้นฉันจะเสื่อมเราบ้างคนนี้ินทาระบ้างอันนี้มีความเสียหายไปบ้างนนหลายๆอย่างยิ่งเป็นนายคนแต่ยิ่งแล้วกันเท่า น, นั้นเนีย่ยเดี๋ยวคนนั้นพูดอย่างนี้เดีย๋ยวคนนี้พูดอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ต้องอาศัยการหยุดรู้อารมณ์ ชาชาอิจ น, นายมันอยกเก็นบางทีมันมีเรื่องอะไรมากแต่แว่าเราคิดถูกอารมณ์เลยยุ่งเองเราเลยนอนไม่ได้กินไม่ได้อะไรเลยุน่นพระโคดจ์องท่านตัดว่าให้รู้จักอารมณ์นี้อารมณ์ดีบ้างอารมณ์ชั่วบ้างมันมายั่วยวนอยู่เสมอนั่นแหละไม่ได้ขาดที่นี้เราก็ต้องเห็นอารมณ์ที่ว่ามันดีอารมณ์ที่ดี มากระทบแล้วก็เห็นว่าเอออันนี้มันไม่แน่สหรับในมันขี้คลายออกมาอย่ามีอุปทานมากอารมณ์ชั่วมากกระทบอันนี้มันก็ไม่แน่นั้นทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์นี้มันก็ไม่แน่อือะไรมันเกิดขึ้นมาแล้วอันนั้นมันก็ดับไปอย่างทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมานี่มันก็ดับไปทันั้นน่ะมันไม่อยู่หรอกมันทําไมมันจึงแับมันเกิดได้ตรงหลับ สุกก็เหมือนกันถ้าสุกเกิดขึ้นมาแม้คนเรามันก็ชอบใจเด้อดเกินอย่าไปยึดมันอันนี้แล้วก็บอกมันไม่แน่เหมือนกันดูไปไม่กี่วันมันก็หมดเหมือนกันไม่แน่เหมือนกันอืวันนี้อันนี้มันก็สุกมันก็ไม่แน่ทุกมันก็ไม่แน่สิ่งที่ชอบใจก็ไม่แน่สิ่งที่ไม่ชอบใจมันก็ไม่แน่สิ่งที่เรารักมันก็ไม่แน่สิ่งที่เราเกลียดมันก็ไม่แน่มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ยถ้าเราไม่รู้เท่า ทิ้งทั้งหลายเหล่านี้เราก็ไม่ดูจากการปล่อยวางชุบเอามาแบกไว้ทุกเอามาแบกไว้ชอบใจก็เอามาแบกไว้ไม่ชอบใจก็เอามาแบกไว้เมื่อแบกหนึ่งในนี้หมดความเป็นจริงรเขาพเพื่อท่จะปล่อยวางมาเห็นของทั้งหลายเหล่านี้มันไมแน่ดูสิ่งที่ไม่แน่นี้โดยความมีสติสัมปชนะัญญะด้วยปัญญาของเรามันก็เห็นทำตามเป็นจริงเหมืมอย่างคนอย่างคุณ น, นายคนเนี่ย ต้องมองคนนี้มาฟ้องนายเป็นงนงั้นง ๆ, ๆ, ๆ้บางคนไม่เข้าใจใจลูกปุ๊บแบบอะไรนานมาเลยหนยเนี่ยอย่างนี้ไอความเป็นจริงคนหยุดดู ก, ก่อนว่าเลือกอันนั้นมันเป็นยังไงมันถูกต้องไหมอะไรตรงนี้ไอมันคลี่คายออกเนี้เคยมีอย่างนี้ให้รู้เหตุผลกค่อยๆว่ากันไปอย่าวูบบีบเลยทีเดียวนี่เดีย๋ยกว่าเรามีสติอยู่จัดจัดการจะทําการงานไอกระวนมากมันก็ถูกต้องดีเกิน เป็นต้นอันนี้เป็นเครื่องรักษาเป็นที่หน้าที่ที่มีจัะปฏิบัติในการงานทุกประการไม่ว่าทางโลกเดียวกวันก่อต้องพิจารณาตรงนี้อยากใจคนเหมือนกันแต่คนก็เป็นธรรมชาติจึงอยู่เหมือนกันอย่างนี้ถึงแม้เคยทิพเทลรยกัมันต้องแพ้ไปต้องเป็นว่าเี่เลยเลยเป็นว่าเสียประสาทเลยอัตมาเลย ว, ว่าเอไอ้คุณนะนา อไอ้ความคิดนี้มันผิดแล้วมันไม่ถูกถ้าหากว่าคนทั้งหมดมันเหมือนกันคุณก็จะเป็นว่าเหมือนกันน่ะคุณจะอศัศจรรย์นในคนทําไมมันเหมือนกันเยอะเกินทําไมมันไม่แปลกกรรันคุณก็จะคิดยังมีอีกเหมือนกันอืมคนอคนเหมือนกันคุณก็จะเป็นว่าเหมือนกันอีกคุณไม่เห็นคนอีกเหมือนกันคุณจะเป็นว่าเหมือนกันไอ้แท้จริงกับคนนั้นไม่มีปัญญา แต่มาจะยกตัวอย่างว่าสัตว์สองอย่างอันนี้มันเป็นไก่อันนี้มันเป็นเป็ดสองคนมาดูสัตว์สองอย่างนี้คนมันว่าแม่เป็ดทําไมนี่มันก็ไก่ไก่ทำไมนี่มันก็เป็ดถวนี้ไม่ยอมรับหือว่เป็นว่าท่านั้นเนี่ยถึงคุณจะเป็นว่าเป็ดมันจะเป็นเป็ดอยู่อย่างนี้ไก่ก็ไม่ไก่อย่างนี้แกก็เป็นคนแก้ปัญหาไม่ดุไม่จบเนื่งแกก็เป็นว่าเทนานี้ มีคนนึ่เดินสมาเห็นเ้อเป็ดนันลักษณะมันก็เป็นอย่างนี้ไก่ันองเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นธรรมดาอยู่แล้วมันถูกแล้วเป็ดก็เป็นอย่างนั้นไก่ก็เป็นอย่างนี้คนนี้ก็หมดปัญหาแล้วเรื่องเท่านี้แหะเรื่องความเห็นเท่านี้ไม่มากหอกคนอยากให้ไก่มันเป็ดให้เป็ดเป็ดเหมือนไก่ทุกเลยเป็นว่าอือเท่านี้มันผิดเท่านี้ยออีกคนมีพญารลักษณะเป็ดมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ไก่ก็เป็นตามเรื่องมันก็เป็นอย่างนั้นแล้ว คนนี้กป็นเมียนุปสบ้ายอันนี้เรื่องความเห็นผิดเห็นถูกตอนนี้แก้ปัญหาอย่างนี้ถ้าเรามีสติอยู่ถาเรามีสมปัตัญญาดูปัญญาก็วิ่งธรรมาตัดสินว่าเป็ดก็ปล่อยเห็นเป็นเป็ดช่ไก่ก็ปล่อยเห็นเป็นไก่ใช่มันไปยุ่งอยู่กับคนนะมันไปยุ่งกับคนที่คิดไม่ถูกคนที่อยากให้เป็ดเป็นไก่อยากให้ไก่เป็นเป็ยจะเป็นว่าตลอดตายเลยไม่ยอมรับเท่านี้เรื่องมันไม่มากแก่นเป็นเรื่องมากเรื่องเท่านี้ให้เรา เป็นโรคประสานได้เป็นว่าอันนี้ไม่ได้ว่าความเห็นผิดนั่นความเห็นผิดไม่เห็นตามเป็นจริงของธรรมชาติมันใช่ยังธรรมชาติร่างกายอะไรเนี่ยมันเกิดมาแล้ว น, นี่เกิดแก่เจ็บตายพระพุทธองค์ท่านในมีสติไว้นะ่ะเกิดแก่เจ็บตายเพื่อการความเห็นผิดอย่างนี้เพื่อการความน้อยใจไม่เพื่อกันควรมดีใจเสียใจไว้แตมันมีเกิดเมื่อตอนมันมีแก่ มันมีเก็บมันมีตายอันนี้เป็นพยานจริงๆเลยนะแต่ว่าคนเราทุกคนมันจะต้องผ่านเกิดแกเก็บตายอย่างนี้ถ้าคนไม่รู้สิ่งทั้งหลายนี่จ้ะถ้ามันเก็บมาแล้วน้อยใจเป็นทุกข์นะถ้ามันแกมาแล้วยพเป็นทุกข์ยิ่งมันตายยังร้องโฮมร้องไห้กันถึงตระกูลเลยทั้งๆ ท, ที่เราเห็นอยู่นะเห็นด้วยว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่ แต่มันเห็นโดยตาเนื้อไม่เห็นโดยตาในคือปัญญาถ้าเห็นโดยตาในคือตาปัญญาคือตาทิพย์อย่างพระพุทธเจ้าอะไรต่างก็เห็นว่ามันเป็นธรรมดาของมันเกิดเดินไปอย่าให้แก่ไม่ให้เกียให้ตายไม่ได้ยังงั้นเรากลมเลยกินมะม่วงนะมะม่วงเป็นดอกก็เป็นดอกอย่างนั้นเนแนะหลอไม่ต้องเป็นผลเกินมา ห, หรือมันเป็นผลเดือดๆใคให้มันเดือดยังนั้นไม่ต้องให้มันหามไม่ต้องให้มันสุก ง ไ, งไม่เคยกินมะม่วงเลยแซมบิงอันนี้มันถูกแล้วเนี่ยมันเป็นดอกแล้วจะเป็นดูกเล็กๆเดี๋ยวต่อแก่ขึ้นมาหามแล้วก็สุกเนี่ยถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ได้ทานมะม่วงกันอย่านั้นเนี่ยอันนี้เกิดแล้วแต่ละมันแก่นี่เราไม่อยาให้แก่อี่เกิดแล้วเนี่ยผิดไห้ตรงก็ผิดสิไม่อยากให้เจ็บนี่ยแต่ห้ามมาันจะ่ไอ้คือความจริงมันเดือนอย่างเงี้ยนี่ยไม่อยากให้ตางนี่ได้ ถ้าเระพทธเจ้าจะมาเห็นนั่นใช่ไหมคมันต้องเป็นอย่างนี้นะผมเรายอมรับเสีทุกคนนะเหมือนมะม่วงเป็นดอกก็ยอมรับเสียเป็นผลยังเล็กก็ยอมรับเสียเมื่อเป็นผลอนอนๆมันห่ามก็ยอมรับมันเสียเมื่อสุกก็ยอมรับมันเสีก็เลยกินมะม่วงสุกเท่นั้นเนี่ยเพราะมันเป็นอย่างนั้นอืถ้าเราคิดถูกสังขารความรู้ตามไปจริงของของสังขารสังขารมันเป็นจริงอย่างไรก็ตามรู้มันอย่างนั้นใช่ ทั้งขาวเจสุดมันประวังนะมันทำามาถึงวางได้ก็มันเป็นจริงอย่างนั้นนี่เห็นตามธรรมะไอ้ควายมยึดมั่นถือมันมันก็คลายออกไปปัญหาก็หมดไปหมดไปหมดไ ป, ดไปไดเรื่อยๆไปอย่างนั้นจิตใจเราเกิดปัญญาเห็นธรรมะอย่างนี้มันก็สบายว่าเกิดได้ถูกแล้วมันแก่ถูกแล้วมันเก็บถูกแล้วมันตายยิ่งถูกใหญ่เลยอันนี้เราไม่เห็นถูกเนี่ยออืืมันเราไม่เห็นถูก อยากเกิดแต่ไม่อยากแก่ไม่อยากหยิบแล้วก็ไม่อยากตายด้วยเนี้ยมันเป็นนิจฉาทิฏฐมันเห็นผิดมันแก้ปัญหานี่ไม่ได้น่ะพอแก้ไปถูกเรื่องมันืท่านม่ให้คัดค้านมันท่านเห็นตามรูปเรื่องของมันมันก็หมดปัญหาแต่ปัญหามันเป็นอย่างนั้นปัญหาที่เกิดได้มาให้ตายเนี่ยมันแก้นี่ได้แล้วปัญหานี่แก้ไม่ได้ถ้านแก่เพราะเห็นตามมันนี่ทางแก้มันมีอยู่อย่างนี้มันก็สบาย นี่ก็เห็นถูกต้องมันคนสบายในเงียนเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างนี้ทุกคนถ้าคิดในแง่นี้แล้วก็เบาเมื่อเรามีชีวิตอยู่ก็เห็นว่าเราเกิดแล้วตงแก่เกีบตายใครก็เหมือนกันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยถึงในคราวเมื่อโลกโกรธหลืมันเกิดจะมาน้อยเมื่อเราจะมีการงานเมื่อโลกมันเกิดขึ้นอยากจะกอบโกยอยากจะเบียดเบียนนูคนอื่นอย่างนี้เกิดขึ้นมาในจิตของเราเราก็เห็นในใจอืมตายนะ ออกไปจะไหนก็ตายทําชั่วแล้วมันตายนะเอาผิดไหนมีได้เราเราทําพอมีพอกินให้มันโดยความมันจะมากแต่มากในทางที่ถูกต้องมันจะน้อยไปมันน้อยในทางที่ถูกต้องเนี่ยสบายใจเมื่อทําในกองสบายอย่างนี้เมื่อม่มีโทษเดี๋ยวนั่งก็สบายนอนสบายการงานเรามันก็สบายให้มันรุดค้นเดีน้มีชีวิตจะแก้ปัญหาไปในประจํำวันตัววันนี้ ทำอะไรเราทำไม่ได้ภายหลังเดือดร้อนตํานั้นไม่ดีแล้วทำอะไรที่เราทําไม่ได้ภายหลังมันเดือดร้อนต่ำนั่นไม่ดีทําไปเรื่อยภายหลังมันไม่เดือดร้อนมันสบายตํานั้นดีแล้วเท่านี้แหละลองลองอยู่ในใจเราเราทําจิตไม่มีปัญหาให้มันไม่ให้มีปัญหาเลยให้มันตัดปัญหาความเดือดร้อนออกไปตอนนี้นึกว่าทําหน้านี้ก็ใครไม่เห็นความผิด ดิ้วตอนถูกเรากว่าเห็นของเราไม่ใช่อว่าเอาคนอื่นเป็นพยานอย่างนัง้น ง, ง, งอันนั้นมันโลกเขาอืมเช่นว่าเราทําความดีหรือความชั่วทั้งหลายนี้ล้วจะเห็นในตัวเราบางคนเขาไม่จะทําความชั่วอย่างพ่อแม่มีอยู่ลูกเด็กศึกษาดูหามีครูบาอาจารย์อยู่อยากจะทําอะไรหนึ่งขึ้นซึ่งแบกแนวเขาคิดไปได้ก็กลัวต้องมองดูครูบาอาจารย์มองดูพ่อแม่ ในมองดูคนจะเห็นเราไหมยอย่างนี้ถ้ามองดูพอ่อไม่มีแม่ไม่เห็นครูบาอาจารย์เพื่อนลงมือทำมันนะทำผิดผิดได้ไทำไมทาผิดได้เพราะวะ่าไม่มีคนเห็นมีคนนัมาชอบอย่างนี้คือคนไม่มีธรรมะถ้าคนมีธรรมะมันทำไม่ได้แล้วไปทำอยู่ที่ไหนคนไม่เห็นไม่มีอะดําไปนน้ำไปทำความผิดมีคนเห็น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 ผู้ถึงคำว่าเด็กินตรงไปตรงมาก็มีปัญญาอ่าอย่างนี้เราทําถึงนิดนี้ทําดีแล้วคนว่าไม่ดีเราไม่ทาเขาว่าเราทํางนี้เราคนมีสยานาในตัของเราเลยวะไม่มีอะไรถูกต้องมันก็สบายอันนี้คนมีสติอันนี้คนมีธรรมะเอี่ยเร่องข้างนอกเราก็ต้องพิจารนาเด่นเพราะว่าผิดเด่นเพราะว่าถูกเด่นเพราะว่าดีที่เัาะชั่ว เมื่อเขาบินาเราแล้วก็บ น, อน้อมรือตัวของนายจิงของเขาไหมถ้าว่าเราไม่ดีทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าคุณไปด่านทานครัเขาบอกเฮ้ยเรื่องของคนอื่นเรื่องใครก็จริงถ้าเป็นเรื่องเราต้องรับฟังนี่ดีแล้วถ้าว่าเราไม่ดีเราไม่ดีไม่ตรงไหนแต่ตร ง, ตรงนี้ตัวทุแกะไขเห็นไหมถ้าบางทีมันเห็นคนเรามันตัวเออไม่ดีไม่ดีดเราวก็ลอยมันหลอกเคียร์มันหลอ ก, น, น, อกนะตรงนั้นไม่ดี ตรงนั้นดีนะตรงนั้นดีเราต้เก็บไว้ที่เราทําถูกแล้วเขาว่าไม่ถูกนั่นเราก็เราก็ฟังไว้เองอันนั้นเขาพูดผิดแล้วเรามีพยานในตัวของเราอย่งนันใจของผู้ปฏิวัติธรรมนี่ต้องมีความเย่นเย็นอยู่ตลอดเวลาในตรวจดูเจ้าของอย่างนี้เตือยสติเตือยสัจปัญญะอันนี้เป็นที่พึ่งอัตโนวเจอทยัติตานังเป็นเตือนตนด้วยตนเองอย่างนี้ มันก็สบายผลจะเกิดในสีผูโตโอเอาเตนเองเป็นพยานของตนเราทำที่ น, น, ทนั้นดังนม้เรามีธรรมะแล้วเดี๋ยพระจะอยู่เราอันนั้นอยู่เพราะความจริงอยู่เพราะความถูกต้องแย่เรื่องคนอื่นเรื่องก็ามจรินประมาณเรื่องเขาจะนินทาเหมืนยอมรับอนนั้นคือเขาแน่หรอกเพื่อให้เรามีสติให้เราตื่นตัวกันมาเราดูเราอีกที ามันมีจะเกิดมันวายอย่างนี้แนละอดียวทางมันก็เตือนเราตอนที่ทาว่ามันมีเออมีจินวามห่จะพยายามแก้ไขออกมันมีประโยชน์ตรงนั้นแหละนะบางคนไม่ยอมรับนะทำาว่าเราโถึงเขาเลยไนมะ่ยอมรับอย่าเพิ่งโกรธให้ดีแล้วเขาเตือนเราเราจะโกี่ตัวเราเองจะมันน้อยนะมิเติมเติมจะของเลื่อไปคนถ้าคนนึงไม่ฟื่นนะต้องให้สติเราแล้วอย่างบรัทธา ตุดต<ฤ>ิดเป็นาปฏิบัติกันนั่งสมาฐานทํำจตประโนกอย่างนี้อาจารย์พระเจดวงมาตีหัวมองเห็นหน้าเจาในอาจารย์ยกมือเป็นขอบคุณครับทำไปเข้าไปใจรุ่งอาจารย์เตือนเขานะดีมีคนเตือนไดยอย่างนี้มันดีแล้วเพราะเขาเตือนตัวเขามีได้มีคนมาเตือนเขานี่ยมันดีแล้วให้เขาตือนขึ้นให้เขาจะดุ้งขึ้น ให้เขามีปัญญาให้เขาดู้ตัวก็ขึ้นเุาิดเป็นอย่านี้นั้นนี่ก็ดีเท่นั้นเนี่ยยอมรับสิ่งที่มันไม่ขัดข้องไม่มีหรอกโลกสลรพัดอย่างสารพัดอย่างย่อมคนจะนมีพาชนเชยนี้มียวิทุกขณาทำดีมันก็ว่าทำชั่วมันก็ว่าอะไรสารพัดอย่างถ้าเราไม่อาศัยตัวของเราไม่มีที่อยู่ลําบากมาก น้ำบนั้นถึงปฏิบัติธรรมะให้บันเทาเงื่อนที่ครในการอุปทานทั้งหลายนั้นเป็นตัหน่งสำหรับแก้ปัญหาอา่าแก้ปัญห า, าคืออยาตัวนี้มันดีไปก่อนีอรับรู้ไว้อย่างก็เป็นนมมนตนเกิมานิมนตนะหมวนพ่อนิมนต์นะรับรู้ไว้ในคำรับรู้วห่านี้มันไปให้อีกชันจริงๆ อ่าไม่ได้ยังไม่รับรับรู้ไว้เท่านั้นแหละยังมันก่อไปไม่ได้อ่าเมื่อมันตายจะไปไดนเดี๋ยวอ่ามันไม่ตายแล้วทําไมโยมรู้ล่ะรู้มั้ยเมื่อไรโยยงจะตายรู้มั้ยอัตมาว่าอัตมารับโยมเนี่มันถูกแล้วอ่ะรับรู้ไว้เมื่อกี้มาเจอมันจะเป็นปวดท้องไม่อยู่จะทําไงเนาะมันก็จะไม่ได้ไปอันนี้จงมันไม่แน่นอน ทนะี่มันจะมานอนไม่ใสอุปกรณ์เลยนะตัวมันตายในห้องตัวเขาจะไปเอาเริงบากอิจตุกอรไว้จะไปนอนกับยังนุกปลอดสุปกรณ์ไว้ระวังมี น, น, น, น, นี่นี่ม น, นี่อันนั้นควนามระวังของเราถ้าหาเราความระวังถึงพิสูจน์ของนายมันเป็นไปก็ขึ้นขาว ขอเราปฏิบัติธรรมะเท่านั้นมันถูกต้องแล้วปะปอเนี่ยทีว่าในในแนวในความต้องการเอาไปปฏิบัติเถอะแต่เนี้ยแต่นี้ไปที่เนระียนไม่ได้เราเอาความจริงของเรานี่แหละพุทธศาสนาก็เป็นอย่างนั้น มันมาจบลงตรงนี้แหละใครไปที่ไหนต้อมาจูบลตงตัวนี้ต้องจูบลงตรวนี้มันจบลงแนวนี้แต่ว่าถ้านีนต่อสู้ท่านใอดทนพระพุทพธเจ้าของเราต่อสู้อดทนเรื่องต่อสู้เรื่องอดทนนี้เป็นแนวทางปฏิบัติ กำลังเล่าให้พวกมันนูนเนี่ยว่าผมยังมีเกิเียดอยู่ยังมีหลายร้อยคนหลายหมื่นคนน้องพ่อนั่นสบายแล้วผมยังเป็นผู้ไม่สบายยังมีเกลียดหลายอตมาก็เลยถามว่าเคยรู้ประวัตพิพระพุทธเจ้าไหมนะท่านมีจกลียดหรือเปล่า ท่านพระพุทธองค์ท่านมีกิเลสยิ่งกว่าเราอีกนี่ครอบครัวเราตอนนี้พระพุทธเจ้าอาาเขตอย่างนายหลวงเนี่ยนะที่รักษาของกานในอาณาจักไทยเรารักษาบ้านหนังเดียวเท่านี้มีลูกสามสีห้าคนก็แย่อยู่แล้วนะนี่เลวกิเลสอันนั้นท่ารักษาในอาณาจากักโอโ้โหนั่นเนี่ยท่านยิ่งกิเลสมาก พระพุทธเจ้าแต่กอนก็มีจดีต์มากแต่ท่านเมื่อที่จะน่าเห็นโทษในจดีต์นั้นมาอย่ามาเป็นทาสมันเลยอคือมันไม่จบตันหามันไม่ใช่ตันหามันอ้าอยู่เสมออย่างนี้มันไม่ทําอย่างนี้พูดถึงตันหามันอ้าเอาแรงมาเบี่ยงเราไม่พอมันอ้า อตันหาแต่บ่าหรือว่ายอมรับทุกเวลาก็ได้บริษัทนี้นี่ยอมคือจบไม่ได้นาทีตันหาจะมานาทีแม่น้ำแต่เมือด้วยตันหาไม่มีโอเคเห็นไหมแม่น้ำนี่ตันหานี่มันมันมากกว่าแม่น้ําทั้งหลายทั้งปวงไอ้ตันหานี่ แม่ไม่อะไรจะข้ามมันมีเครื่องยินเครื่องจักรเครื่ยนข้ามไม่ได้แม่น้ําสมุทรทั้งหลายยังมีเครื่องจักรเครื่งยนข้ามมันได้แม่น้ํำเสมอด้วยตัญหาไม่มีแม่น้ําได้ว่ามันน้อยกว่าตัญหาเราข้ามมันไม่ด้วยเรืออะไรก็ได้อันนี้ต้องข้ามมาด้วยปัญญาคือมันพอไม่ได้อแม่น้ำมันมีมันมีฝั่งที่จะเต็ม มันมีขอบเขตตันหานี่มันตันหาฟังเสียงมันมันอ้าอยู่เสมอไม่จบถ้าเป็นหม้อโอ่งก็โองก้นมันรั่วกรุดนจ้ขนน้ำใส่กระทางวันกระถฟีทางใต้ถังกระเรียยมันนึงไม่เต็มไอความไม่เต็มมันยืนตัวอยู่อย่างนี้เพราะอะไรเขาตูดมันทะลุเราทุกคน่ะทุกๆคนเนี่ยสมมติว่า ถาเงินเดือนห้ารอยเยียวเนี้ยได้บ้างหม่ก็เอาละนะอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอีกนะอืมไม่สักพันหนึงก็จะดีนะพยายามไปละอยู่พันเออดีใจเอาพอนนี่นะเอาเอาเอาพันห้าแตอีกแล้วก็น้อยลงอีกนะอืมอ่าสามพันก็จะพอเงี้ยสามพันจะได้ในสี่พันหน้าตาเลยไม่พอเลย คือมันพอไม่ได้นั่นเองเนี่ยมันอยากการหานี่มันหาขนไม่ใส่จะเอาคอเหมาะพอสมควรสมควรยังไงได้มาเท่าไรจ่ายเท่าไรจะจ่ายอะไรบ้างจ่ายอาหารหรจ่ายข้าวจ่ายเหล้าหรือจ่ายเบียร์หรจ่ายอะไรต้องรู้จักในการจ่ายนั่นจ่ายไม่เป็นเกินประโยชน์ที่้องจ่ายมันเองนี่ประหยัดให้รู้จักการใช้หรือจักการจ่าย ไอ้ความพอดีควเหมาะสมมันจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเกันมาแต่เรามีราเวียนไปทุกคิดทุกทางเพราะไม่พอเนี่ยจะทำไงมไม่พอเพราะฉนั้นมันก็ไม่พอพระพทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้ท่านไดจากในการคอบคัวบยจากในการใช้การจ่ายทั้งะมีความสบายสมทุ่นกันขมาอีกอย่างนี้ปัญหานี่ก็เป็นของสำคัญตาหวามันชื่อยามากินถ้ามันเป็นไข้ ซือาหารอร่อยมากินซะซื้อข้าวมากินซะน้ำกินเนี่ไอ้เล่าไอ้บียร์ไอ้บาไอ้ช่องไอ้แข้งต่างๆยังเอามันมาใส่มันนี่มันท้องขี้ายทางนั้นเนี่ยแต่เราอยากจะให้มันครบหรือว่าจะให้มันสบายอันนัมันยิ่งไม่สบายแหละไอ้ความสุขมันไม่สบายแล้วความสงบมันถึงสบายความสุขมันเดือดร้อนดีหรือความสุขดีไหมไม่ดีแล้วความสงบนั่นติด ไม่สุขไม่ทุกเนี่ยมันสบายแลย้วถ้าสุกมันก็ติดสุขแต่ม่พ่อได้ไม่สุกนั่นนะกินนูนหรืกินนีน่กินนีน่หรืกินนูนไม่จดไม่หยุดเลยนี่เราลุกจากแล้วต้องภาวนาพิจารณาอะไรคนใช้จ่ายอะไรอะไรมามาอะไรไหมถ้าเราพิจารณาในธรรมะมากกว่าคุ้มครองตัวเราได้จริงมันเดือดร้อนก็ถอนออกไปเรื่อยๆนะแต่ก็มันมันยืดกันนะไม่กินเหล้าก็บเพื่อนเขาแหละ หนุ่มๆไปวัดสิเพื่อนเห็นได้หลาดสิเขาเห็นเนื้ออาเนะยนเลยนี่ข่าวัดกาว่าเลวนะเป็นตายแล้วที่มีข่ามาวัดถูกเพื่อนเขาทักอายมาวัดนะต้องมาหลบๆมาคนเดียวหรือสองคนกล้ามาเห็นเาว่าขาวัดกะว่าเลยนะเดี๋ยวนี้นะเท่านี้อายแล้วตัวก็นี่เป็นเงื่อนนี่จะเข้าในทั้งคมเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยต่างๆ อันนี้เป็นเหตุนในเราหน้อยอกน้อยใจที่เราไม่ที่จเจริญนาในใจคนอายแล้วอายจริงจริงที่มันทําผิดแนตะ่หน้ามันอายจีิงจริมัผิดในใจว่าอายหรอกคนนํามันไม่เห็นอย่างนั้นฉะ <c oughs> นั้นในทางกระวาตรงเรามันก็ถ้าเราคิดที่มันถูกต้องมันก็สบายอยางเงี้ยวันนี้มีเออมีอมนายทหารคนหนึ่งคึอมันมากราบคนในกรุงเทพเป็นนางพยาบาลไี่นะ กราบกราบด้วยทางนุพ่อฆ่ามนุษย์มีบาปไหมครับอืมบาปโยมทั้งหมดทำไมหอมผัวไปมีเมียใหม่นีน่ยถ้ไ า, า, าไปมีเมียแล้วทำไมมาบ้านต่อไปโน้ททาไมมาก็อยู่คนเดียวเขาหอมเพราะว่าเขาอยู่กรุงเทพเขาเป็นนางพยาบาล่านี้ มาดูวัดขงมอย่าไปฆ่านะโยมนะอย่าไปทำมันเลยนะถ้าจะทำต้องมาบวดในวัดบวชนะนี่ก็ดีอย่าไปทาเลยทำแล้วยิงทุกยิงเดืๆๆอดร้อนอแตมาว่าโตจนเห็นกันใช่ไหมปัสยญาติสามีอะเรื่อยกพร้อมกันมาเรื่อยกันเนี่ฟ้าวึงมาพบกันเนี่ยเมืเ่อกเดือนวันนี้ เออมันเกิดมาคนละทีนะคุณมาเห็นกันนี่ทําไมเขานี้งใจเราเพราะเขาไม่ชอบเราี่ถ้าเขาชอบเราก็จะอยู่กับเราไม่เบื่อดีเนี่ยอมันเบื่อแล้วมันน่าจะทิ้งแล้วเน่ยเขาไม่ชอบเราเนี่ยเขาก็ตัดใจหนีอยากลอยยังไปคิดถึงเขายังไงล่ะเขาไม่ชอบเราแล้วก็ไปเลีแล้วเขาไม่ชอบเราแล้วผม่เขาก็เลิกเขาก็เลิกเท่านั้นถ้าโยมไม่ชอบเขาโยมจะเอาไหม ว่ามีเอากันนะเ น, ะนี่ยอันนี้เขาไม่ชอบเราวขาคนนี้ไปเน่ยก็ดีแล้วล่ะรูกคนละพอละแม่มาพบในกีเรือนอย่างนั้นต้อดน้าตาหลังลงไม่ไหนนะน้ำตาหยดต้องตบกบกบกบกน่แต่เอาให้มันให้มันหมดถ้าน้ําทุกเนี่ยถ้าน้ํามีไม่หมดน้นมีหมดทุกหรอกให้มันออกให้มันหมดนั่นดีอืมนี่ระเมือมันตกไปแล้วมันเป็นใจอย่างนั้นไม่พอไม่รู้จะยังไง ต้องมาบวชนะว่าหนูก็ยังยังยังมีลูกมีคันนะไม่รู้จะทาไงแต่ฮะพระองค์นี่ก็อายก็ทําไงถามว่าฆ่ามนุษย์บาปไหมบาปหลายไหมเลยเนาะหลายสิ <c oughs> ย่างนี้อ่ะมันก็ไม่ไม่ควรจะให้มันเป็นนะไอ้มนุษย์เหล่านี้รู้จักกันเลยนะมันเป็นไปได้อย่างนี้อืมมไม่ได้อย่างนี้ก็ทําไง ันก็คิดทำบาปเท่านั้นตอบปนั้นเพราะมันบาปนี่คือสร้างสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาอจตมาเห็นว่าอะไรก็สร้างมันเท่นาน้ำใจกันนี่มันหายากเลยคืนทัพสมบัตเิเงินทองในบา้านดอมันมีปัญหาไม่เท่าไม่เท่าน้ำใจเราเพราะมียังไม่รู้ปฏิถูกกันเท่านั้นนหะ